มีพวกเราได้ไปฏิบัติรมกันตอนเนื่องยาวนะแต่จริงจะว่ายาวก็ไม่ยาวนะแค่สองชั่วโมงก็ปานะแต่บางทีเราอยู่ที่บ้านนะบางทีสองชั่วโมงนี่ก็นานแล้วนะถ้าทำคนเดียวปวดเมื่อยง่วงนอนเบื่อแล้วก็ไม่อยากทำนะ แต่พอมีเพื่อนนะก็มีกำลังใจเนาะแต่ที่จริงกแต่ชีวิตจริงนะบางทีเราก็ไม่มีเพื่อนนะ <c oughs> บางทีเราอยู่ในที่ทา ง, งานนะบางทีคนในที่ทา ง, งานเราอาจจะไม่ค่อยมีใครปฏิบัติธรรมก็ได้นะหรือบางคนกลับไปที่บ้านนะคนที่บ้าน ก็ยังไม่ค่อยสนใจการปฏิบัติธรรมก็ได้นะบางทีเราก็ต้องอยู่คนเดียวอถ้าเราเด็ดเดียวนะมันต้องมันถึงจะได้นะแต่ถ้าเราไม่เด็ดเดี่ยวมันดีก็เขาจะตามเข้าไปหรือว่าเมื่อหมดกำลังใจแล้วก็แจะท้อแท้ท้อทอยแม้แต่พระเองโยมนะบางทีเราอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดีเราอยู่วัดก็ดีนะ แต่ก็มีหลายช่วงหลายเวลาที่บางทีเราก็เบื่อเราก็เหนื่อยก็ทอนะ <c oughs> ้อนะเพราะบางทีอะไรมันเหมือนทําทั้งวันนะ่ะ <c oughs> ตื่นจะนับทําซ้ําไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ทําอยู่แบบนี้นะืะไม่รู้จะทําถึงวันไหนนะส่วนใหญ่งานส่วนใหญ่ทั้งโลกบางทียังเรียนเนาะ เรียนหนึ่งยาปีอ่ ะ, อะสี่ปีนะทนมัสัไหน่สี่ปีไม่จบกบปีห้าปีหกปีเจ็ดก็มันยังพอมีเดสไลด์อยู่บ้างนะแต่การภาวนาเ น, นี่มันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะจบกิบเมื่อไหร่นะหรือบางทีบางช่วงก็ดีดีบางช่วงก็งงก็ยไมากนะบางช่วงก็เหมือนต้องเรียนคนเดียวอยู่คนเดียว มันช่วงก็มีเพื่อนนปฏิบัติด้วยนะหลายอารมณ์นะหลายอารมณ์แต่จริงมาว่ามันหลายอารมณ์นะมันทําให้เราเห็นอารมณ์ตัวเองหลายแบบดีนต่จริงนะถ้าเรามีอยู่แต่ที่เดียวเนะีน่ยบางทีอารมณ์มันจะเป็นโทนเดียวเยอะโทนเดียวแต่ถ้ามันหลากหลายอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์บ้างเราจะเห็นอื เราเห็นความแตกต่างของใจหรือว่าของสภาวะอารมณ์ปฏิบัติคนเดียวเป็นอย่างไรปฏิบัติกับเพื่อนเป็นอย่างไรทําในรูปแบบเป็นอย่างไรทํานอกรูปแบบเป็นอย่างไรอย่างนะี้มันก็จะเห็นความความแตกตา่างบ้างแต่เอข้อจริง <c oughs> มันทีไม่แต่เราปฏิบัติในรูปแบบสองชั่วโมงนี้อารมณ์ก็เปลี่ยนเยอะใช่ไหม <c oughs> นั่นเดี๋ยวกับเพื่อนปฏิบัติในตู้แฝง น, นะบางครั้งก็ปฏิบัตดดิดีบางครั้งก็ง่วงบางครั้งก็ฟนะี่ยุ้งซางเนยวันวันหนึ่งนะเนะี่ยความเปลี่ยนแปลมันเกิดขึ้นบ่อยเนะี่ยเกิดขึ้นบ่อยอาพวกเราเกิดมีใคร สงส่เนาะแล้วก็ให้โอกาสในการในักถามเผื่อเอาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ่ยมเพราะว่าเรามาเรียนวันนี้บางคนมาครั้งแรก <c oughs> เขาเพิ่งเรียนรู้แต่มาว่าปฏิบัติฟังเทศบ้างนะปฏิบัติบ้านก็ยังดีนะบางทีเราเป็นฟังเทศเฉยๆนะม <c oughs> ันง่ายน ะ, นะ มันง่ายแต่มันทำได้หรือเปล่ามันกมน็มันทำไม่ค่อยได้ไดหรอกนะบางทีเดี๋ยวนี้การมาวัดกัน เ, เข้าถึงพระพุทธศาสนาบางทีเราบางทีก็ทาง่ายๆฉับเฉยว่เช่นทำบุญเนาะทำบุญใส่บาตร่แป๊เดียวสรบางคนก็ฉับเฉยเลยนะฝากไปไหนโอนน่ะก็ ก็เร็วนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยดีขึ้นมาหนนะ่อยนะมาฟังธรรมนะมาฟังธรรมครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะกลับบ้านไปเดี๋ยวดีขึ้นก็ไหนก็มารักษาตีนมาเยูาวัดนะวันหนึ่งคืนหนึ่งนะแต่บางทีก็ไม่ค่อยไปปฏิบัติธรรมก็มีอันนี้พวกเราก็ดีนะนนเราเน้นที่ที่การฟังธรรมแล้วก็การปฏิบัติธรรม แต่วันหนึ่งมันก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรมากหรอกนะเพราะว่ามันถ้ายิ่งเป็นผู้ใหม่ไม่เคยปฏิบัติมาเลยเนะี่ยจะให้เข้าใจอ่ามันก็ไม่ใช่พิสัยเนาะแต่ถ้าเป็นคนเคยเปฏิบัติมาหลายวิธีมาบ้างอมอปังก็อาจจะพอเข้าใจน่ายอยู่เพราะว่าที่จริงอาตมาก็จะเน้นสอนแต่ละในการปฏิบัตินะเรื่องรูปแบบเนะี่ยเป็นเรื่องรองนะ ชาติกคนเคยปฏิบัติมานานแล้วก็อาจจะก็พอจะจัดได้นะก็ทําไปเรื่อยๆใครมีสิ่งที่ข้างคายใจในการปฏิบัติก็เชิญนะหลังๆเราเคยอ่านหนังสือหรือพ่อเพีย ในอ่านในหนังสือครับหลวงพ่อเทียนบอกว่าเออให้ให้ละพวกอะไรกาแฟน้ำชาอะไรพวกนี้ยมีผลอะไรอย่ารกันไปในปัจบันครับแต่ก่อนตอนหลวงพ่อเทียนปฏิบัติท่านก็ติดกาแฟติดบูรีติดความสบายเนี่จะเป็นการาวาแต่พอท่านเริ่มเห็นอารมณ์รูปน้ำท่านก็ท่านก็ละแบบเลิกไปได้เลยทันทีนท มันก็รักไปได้เลยแต่มาว่าอย่างกาแฟน้ำชาหรือเครื่องมืมที่ทำให้มันชูกำลังมันังถ้าใครไม่ใช่ผ่านอารมณ์ก็บางทีเราจะคล้ายค้ายเข่นง่วงเราจะคิดถึงตัวช่วยอาจจะปวดง่วงเราคิดถึงกาแฟหรือว่าอะไรต่างมาให้เราปลุกปลุกตัวเองถ้าเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องเราจะผ่านพวกง่วงได้ถือ เราต้องไปมีเงินอื่นมามาช่วยแต่มาว่าถ้าเราลองม่วงและเราลองสู้กับมันเราจะดูว่าที่จริงม่วงเนี่ยเราก็ผ่านในด้วยการปฏิบัติมันจะเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติจริงๆ น, นั่นมาว่าแต่จริงพอถึงจิตมังจริงแต่กินมันก็ไม่ติดห่ะกจริงๆนะออแต่ถ้าคนกินจนติกก็ลองดูลองเลิกมันบ้างเพราะว่าบางทีพอเราทํำจนติดแต่ยม ตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้กินไปก่อนไม่รู้มันจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะหรือของงงนิดนึงอะเอาก่อนนะไม่ทันจะได้สู้มาเละก็แบบหาตัวช่วยละ <c oughs> แล้นั่นก็การระบ้างมือลถบ้างมันไปทําให้เราได้ได้ลองสู้แล้วก็มันจะเห็นว่าที่จริงสำคัญที่จริงเป็นใจของเราถ้าใจเราสู้นะ่ะมันผ่านได้ <c oughs> เหมือนที่จริงอย่างอย่างพระบางทีท่านถ้ามีตุวดงวัดข้อนหนึ่งนะในสัชิกคือการการไม่นอนนะไม่นอนหรือไม่เอนหลังนอนเพราะบางคนก็จะกลัว <c oughs> กลัวจะไหวเล้วพวงนี้จะไหวเล้วอะไรเงี้ยนะแต่ร่างกายเจยไม่สบายหรือเปล่าถึงง่วงขานไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราลองทงํำจริงนะมันก็จะมีบางช่วงที่มันง่วงมากๆ อพอทุจงจุดนี้มันก็ผ่านได้เราจะเห็นเห็นความดับไปของความง่วงนะฮม่ให้เดียวกรรมการอาจารย์ขอขอถามสองสามคำถามข้อแรกคือมุ่เช้าที่อาจารย์ ที่ไปเรื่องเรื่องอสมมตินะฮะจากสุตปัญญ า, านี่ผมมองดูแล้วแต่หว่า อ, อาจารย์เดินตงมาผมเฉยๆนะคับเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าผมอิรณาต่อกลานว่าเห็นสมมติขึ้นมาว่า จากกันที่ว่าเร า, เ, าเห็นแต่ว่าตามไม่ทมันของมันความคิดของมันที่เราเกิดขึ้นไม่ทันนะคือแล้วอาจรก็ยกยกตัวอย่างเรื่องกาแฟถ้าหรือว่าอะไรก็ตามชิมครั้งแรกป๊อมันจะไม่รู้รว่ามันคืออะไรบางทีที่ผมลงไปลองลอ ง, ลอ ง, ลองชิมแรกมันไม่รู้จริงๆครับว่า อะไรคือเป็นอะไรแต่หลังจากนั้นแล้วแล้วเนี่ยกัารเป็นว่าการสมมตินี่มันเกิดขึ้นมาจากสัญญาว่าเอออันนี้คือเรียกว่าอะไรเรียกอรเดี๋ยวทำให้เข้าใจด้ว่ากสมมติที่ในโลกคิดเนี่ยเรื่องที่เรียกกันน่ยทำให้เข้าใจว่าสมมติคืออะไรอย่างผมมองผู้ปฏิบัติผู้ชายผู้หญิง เดินมาถ้าสูว่าดูแล้วมันไม่มีอะไรใชแต่ว่าเราถ้าสูงาเรามาเรียกชื่อปับ๊บอกคุณสุรพลคุณนี่คุณวิโรธคุณอที่เฉลชยัยรู้เลยว่าอันนี้เป็นสมมติขึ้นมานะฮะอันนี้ผมไม่ไม่เข้าใจว่าอันนี้เป็นสัญญาหรือว่าจากการที่ว่าเจินนาหรือว่า จากการฟังของอาจารย์พูดเลยเนะี่ยมาคิดตามยนิสการ์หมว่ า, เ, าเรียกว่าอะไร น, ะน้องจิตเข้ามาดูว่าเอาาทอที่อาจารย์พูดอโอมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่าง น, นี้อันนี้คือเรียกว่าสุตปัญญาเป็นเป็นจินตมาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจรนารณาและอาศัยการคิดใถ่ครวญ แต่จริงเรื่องเรื่องสมมุติคือเป็นหนึ่งที่สอนบางทีว่าคนทั่วไปก็จะติดแต่สมมุติติดแต่สมมุตินะไปเรื่อยเลยแต่นักปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าใจทั้งสมมุติแล้วก็ปรัชญาปรัชญาแล้วก็ไม่ติดทั้งสองส่วนนะนคือถ้าเรามุเราทิ้งสมมุติไปเอาแต่ปรมัตญาอย่างเดียวก็มันจะเหมือน เหมือนคนบ้านไม่เหมือนคนบ้านไม่สนใจอะไรเลยอยู่ับโลกไม่ได้ใช่จะอยู่กับโลกไม่ได้แต่แต่ผู้ปฏิบัติทำมันต้องเรียกว่ารู้ว่าสมมุติคือแบบนี้ปรมัตาสคือแบบนี้เราต้องเกี่ยวข้องกับสมมติแล้วก็เกี่ยวข้องให้มันถูกสมมุตินะแต่ใจเราวางเป็นปารามาสคือเช่นแก้วเราก็รู้ว่ามันมันก็อคือแก้วมันก็คือธาตุแต่เราก็รู้ว่ามันปรอบบาง เราก็ต้องถนอมในการในการนั้นแต่ถ้ามันแตกไปปุ๊บเรารู้นี่คือคือปรามาสของมันมันต้องแตกสลายไปเนะคือเราก็เมื่อคือก็รู้ทั้งสองส่วนแล้วก็ไม่ติดทั้งสองส่วนคำถามที่สองก็คือว่าค่ออยากจะเป็นเพราว่าที่ไม่ใช่วันนี้นะ ไปเนสภาวะที่วันในสองวันที่แล้วนะที่เปเปปก็บอารมณ์กับพระมหาอิเลศนะฮะมีช่วงหนึ่งที่ตามนั่งจังหวะอยู่นะมันตรงกับตารที่อาจารย์อธิบายว่าจะมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งเข้ามาเข้ามาเห็นว่าจิตของเราส ม, มัยเรากำลัง ยกมือขึ้นมาจะมีตัวไอ้ตัวรู้นึ่างนี้มาดูว่ากาลังทาอะไรทำอะไรมันอยู่อยู่มันก็ขึ้นมาขึ้นมาได้นะก็เลยเข้าใจว่ า, าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามียกมือเนี่ยจิตหนึ่งมีผู้กระทาแต่ยางนีจิตหนึ่งที่กำลังรับรู้ว่าเรากาลังทำอะไรอยู่ อันนี้ผมยังไม่ได้คุยกับผมพ่อก็เลยมาถามพระอาจารย์ที่นี่นะอาจารย์ก่อกรกุณนาซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีจิต ต, ต่อต่อต่อเพราะว่าเรายกมือแต่ครั้งนี้จิตครั้งหนึ่งมันก็ดับไป นะมันคือที่จริงความรู้สึกนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแต่จิตอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องของร่างกายแคือถ้าเรามีแต่จิตไม่มีร่างกายเราเป็นมนุษย์แบบนี้นะเราจะจินตนาการเอาว่าเรารู้มันจะไม่ได้คือมันต้องมีร่างกายที่มันมันกระทำจริงๆรใช่ไหมร่างกายที่มันกระทำจริงๆแล้วมันก็รู้สึกจริงๆรรู้สึกจริงๆในในตรงนั้น ร่างกายมันก็ทำจริงๆรู้สึกจริงๆแล้วจิตใจก็รับรู้มันจะนั่นหมายถึงว่าเนี่ยร่างกายก็ใจก็รู้แบบมันมันคือของจริงที่มันเกิดพร้อมกันมันแนบกันแต่แต่มันไม่ใช่ว่าเกาะนะแต่ก็คืออ่าไอตัวนี้คือสิ่งที่จะทำะตัวนี้คือติงที่รู้มันจะเป็นแบบนี้นแต่ถ้าเราทาสมาธิบางทีเราจะเราจะเอาจิตเป็นแนบกับกายก็ เพื่อนไปกับมันมันจะไม่เป็นรู้ทีละครั้งมันจะมันจะกล่องไปเรื่อยเหมือนปล่อยไปไปเรื่อยแล้วค่อยๆนิ่งสงบแต่ถ้ารู้เนี่ยมันจะตื่นปุ<อ>๊บปุ๊บแต่ว่ า, วาที่ผมท<ำ>ํานะครับโอมันยีพลังขึ้นมานิวรณไม่มีทั้งห้าตัวไม่มีเลยอ่ะแล้วปฏิวัติจน มันมีพลังขึ้นมาที่ว่าจิตตัวนี้มันมาตัวอคอยดูว่าจิตอีกตัวหนึ่งที่กาลังทําอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลย <c oughs> ใช่ไหมครับตัวตัวที่ทําไม่ใช่ตัวจิตมันเป็นตัวตัวความรู้สึกความรู้สึกแต่จิตเข้าไปรับรู้จิตเข้าไปรับรู้อนอกจากว่าการการที่รับรู้รู้จิตนะแต่การรู้จิตมันจะเหมือนจิตเมื่อกี้เช่จิตเมื่อกี้มันมันออกไปคิดมันหลงไปคิด แล้วก็มีจิตเหมือนที่ไปรู้ว่าเมื่อกี้เราหน่วงไปคิดถ้าแบบน่ะถ้าการรู้จิตนะเป็นเวทนาก็ดีเป็นจิตก็ดีเป็นธรรมก็ดีนะมันมันเผลอออกไปสอดแล้วก็เรารู้แต่บางทีครูบาอาจารย์ก็พูดเลยภาษาที่มันให้นเข้าใจง่ายๆมันเหมือนบางครั้งที่จริงมันเกิดการรู้แล้วมันทันมันเราวิ่งไล่จับออ่ะวิ่งไล่จับปุ๊บมันทันป๊อปนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่แบบ มันที่จริงมันเกิดปุ๊บเน่ะตอนนี้เกิดขึ้นปั๊บมันมันมันดับทันทีอยู่นะมันแทะขึ้นมาทันทีปุ๊บเน่ะอันนี้ก็ต่อไปมันก็เป็นอันนี้คือการรู้จิตนะครที่มันแต่บางทีเราพูดคำข้าวก็เหมือนบางทีหลงพ่อเขียนเอาใช้ว่าเหมือนคิดปุ๊บรู้ปั๊บคิดปุ๊บรู้ปั๊บหรือบางทีได้ว่ามันจัเองกับความคิดน่ะความคิดจะออกมาปุ๊บจักเองทันทีนี่คือ มันเหมือนบางคนบมกเหมือนคลคายี้โผล่ขึ้นมาปุ๊บตัวนี้ตกสันดีหายไปแต่ก็เข้าใจว่าถ้าใครพอได้เห็นนะมันจะได้ปิติปิตินั่นแหละคือกำลังทำให้เราขยันปฏิบัติทำให้เราไม่อยากกินไม่อยากนอนแต่มันเป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งนะเราก็ทำไปเรื่อยแต่แต่อย่าทำแบบวระมาณว่าเอ๊ะ เมื่อวานไดแบบนี้วันนี้อยากจะได้อีกจะมีฮะตอาแรกไม่มีความคิดถึงนกันแน่แต่พอวันหลังจะมีมาโดนสอบบัลลุมครั้งหนึ่งโอ้โหเป็นยากนะยากเพราะว่าการสอบบัลลุมนี่มันเหมือนเหมือนกับมันไปกระตุ้นนะฮะเพราะว่าเราในในขณะนั้นนี่เรามีความรู้สึกที่มัน ที่ทําน้ํามันโอ้โหมันอย่างที่คิดว่าเป็นสิติใช่ไหมฮะอันนั้ฮะเราเราไม่ได้ต่อบและไม่ได้คิดต่อบนะฮะเราก็ทำไปแบบมีความรู้สึกตัวไ ป, ไปเรื่อ ย, ยนะฮะแต่มาตอนสอบอารมณ์ปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าไปย้อนให้เรากลับไปคิดว่าเออคุณทําอะไรกันมากลายไปว่ามันกระตุ้นกั บ, กบจิตของเราขึ้นมาว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ย โอ้อยากไดนะฮะมันเลยเป็นสิ่งที่บางครั้งสอบอารมณ์มันก็ดีบงทก็มันทําให้มันไปย้อนกลับไปที่ติดอดีตนะมาที่จริงจะสอบหรือไม่สอบน่ะบางทีถึงมาเข้าใจนะบางทีเอ็มมาก็เจอกราเข้าในตอปฏิบัติเพิ่มเยอะเลยเก็บอารมณ์ก็ไม่มีใครมาสอบอ่ะแต่มัน มอบ้าน่าจะเป็นแค่ทุกคนนะคือว่าพอเราเหมือนเราได้สภาวะที่มันไม่เคยได้มันเบามันสบายมันเพลินนะวันหลังมันก็อยากจะได้มันจะอยากแต่สองเมื่อมันรู้สึกว่ามันอยากแล้วมันไม่ได้แล้วมันทุกข์แล้วมันจะค่อยๆเลิกลิกยากมันจะรู้สึกว่า ความทุกข์มันเกิดเพราะเราอยากเสียได้ล่ะแต่จริงถ้าเราแค่รู้สึกไปเรื่อยๆนะตอนเนี้ยมันไม่ทุกข์แล้วแต่พอเราทุกข์เพราะเราอยากจะได้แต่จะได้แบบนั้นอีกแต่มันเป็นธรรมดานะมาว่าเป็นธรรมดาแต่ให้เห็นว่าให้เห็นว่าความทุกข์เกิดเพราะความอยากจะได้ที่จริงอารมณ์ปิติก็เป็นธรรมดา ม, มันก็มีมีธรรมดาแต่ละมีแล้วถ้าเรา คำว่าติดก็คือนะวันนี้เราได้วันพรุ่งนี้เราอยากได้เหมือนคนติดกาแฟวันนี้เรากินวันพรุ่งนี้ก็อยากจะกินใช่ไหมมันคือมันก็อยากจะได้เพราะมันมันเป็นอารมณ์บวกนะอารมณ์บวกแต่บางทีมันดูจะอารมณ์อารมณ์อกุศลเช่นอารมโกรธนะมันร้อนมันพุกขมันอยากจะพุ่งออกไปมันทิมเห็นแต่อารมณ์ปิตินั้นเนียน มันเพลินมันเบามันนิ่มเนี่ยอารมณ์สบายนอารมณ์สงบเนี่ยบางทีมันนิ่งพอนิ่งก็เหมือนไม่รู้ดูหรือประคอบด้วยนะนั่นนะเนีอารมณ์บวกนะนะกปฏิบัติธรรมทีก็ต้องรู้ว่าให้ทานนะแตมันเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรเนี่ยบวกหรือล็อกเกิดขึ้นได้แต่เราเพียงแค่รู้มเพียงแค่รู้ถ้าเราไม่รู้่มันจะเหมือน ตัวหนึ่งเราชอบตัวนึงเราไม่ชอบเราก็เลยปฏิบัติเพื่อเอาสิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเราก็จะไม่เอาที่ปฏิบัติเพื่อรู้ทุกอย่างตัวนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็ดับไปทางนั้นความสุข เพียงเนี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าตอนที่จะลงไปทานข้าวใช่ไหมเ้าค่ะท่านอาจารย์ก็บอกว่าห้ามไม่อยากให้ให้ให้พูดเพราะว่าจะได้มี ม, มีสติไปด้วยใช่ไเจ้าก็ปรกว่าเข้คิวทานข้า ว, าาวก็ก็มีคนพูดแล้วก็พูดเสียงดางแล้วก็จะไม่ให้เรื่องทํามาถ้าเป็นสมัยก่อนโยมก็ต้องต้องอะไรกัดยานใแต่วันนี้ก็รู้รู้ซื่ อ, อ, อไปเลยเจย้าหญิถามท่านอาจารย์ว่า คำว่าดูซื่อๆนี่ก็คือพอรูร้ว่าเขาพูดทั้งทั้ที่คือถขออนุญาตเล่าย้อนกลับอีกเดียวแล้วค่ะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนโยมจะต้องคิดว่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดไม่ได้ยินหรอหรือว่าเดือนหนึ่งจะมาปฏิบัติธันกี่วันเั็นเชียวทําไมไม่กไปไปเรื่อยแล้วค่ะแต่วันนี้ก็คือโยมก็ดูแล้วก็คิดว่าเห็นที่ใจมันพุ่งขึ้นมาก็ดูไปซื่อๆไปเลยแล้วก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้โกรธต่อแล้วก็ สุดท้ายก็คิดว่าเขาคุยก็ดีเหมือนกันเนอะเราได้ฝึกไม่ไม่ทราไม่นราว่าอย่างนี้เรียกว่ารู้ซื่อไหมคะอ่าใช่ใชนั่นแหละเราก็เราไม่ห้ามเราไม่ห้ามความไม่พอใจแต่เราไม่ต้องคำว่าบางทีเราถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็จะทำตามใช่ไหมเราทำตามหรือบางทีเราคิดว่ามันไม่ดีเราก็จะข่มไว้แต่จริงรู้ซื่อมันก็แค่รู้ว่ามันถืมว่าไม่พอใจก็แค่รู้มาแคนั้น แล้วเราก็ที่จริงพอเรารู้ว่ามันรู้ซื่อแล้วเดี๋ยวความไม่พอใจมันก็จดไปเราจะเห็นว่าพที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็ดีแล้วแหละทุกๆอย่างเช่นนั้นะยมอาจารย์กย็าาถามว่าเราการที่เราจะมีสุตะพยปัญญาเนี่ยมันจะเข้าถึงจิตไหมฮะจิตยอมรับ รู้จักมันเป็นเบื้องต้นแต่มันต้องต้องภาวนาจนได้ที่เป็นเรียกวประสบการณ์ภาวนาที่จริงเขาถือประสบการณ์ในการที่เข้าไปประสบพบเห็นการรู้แจ้งรู้จริงนะมันถึงจะมันถึงจะผล<ม>การแค่การแค่รู้การแค่รู้รู้จักอ่ามันรู้จํารู้จักมันมันจะมีผลมันเหมือนเรามันเหมือนมีหลายเรื่องนะ เวลามีคนอื่นเขาทุกข์ถ้าเราก็สอนคขาได้ <c oughs> แต่พอเรื่องมนะันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราก็ทําใจไม่ได้เราก็ทุกขนะ์น่ยมันจะเป็นงนั้นภาวนาจริงๆมนะัคือเน้นว่าให้เราทําจนชํานาญทําจนมันมันเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นจิต เ, เป็นใจของเราจริงๆมันก็เลยเกิดความไม่ทุกข์ขึ้นมนะของโยมเมื่อกี้เสริมนิดหนึ่งบางทีมาว่าไอ้แบบเนนะี่ย เรามีกติกาช่วยเรามีเช่นอวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมพอดีอาจามาก็เตือนเรื่องเติอนให้พูดมันทําให้เราได้เห็นตัวเองแต่างทีถ้าเราอยู่ในที่ทํางานหรือที่บ้านบางทีมันมันจะยากขึ้นมันจะรู้สึกงดเช่นเรางดเสมอเป็นเจ้านายตรงนั้นนะมีลูกน้องไม่ทําตามระเบียบหรืออะไรต่างๆมันจะจะพูดดีไม่พูดดีอะไรนะอาจมาเองนะก็เหมือนกันนะบางทีคือบางทีพอเรา อยู่ในฐานะเช่นบางทีเราสอนนะเมื่อเรามีคนพูดขึ้นมาหรืออะไรนะั้นมาจะดูอารมตัวเองก่อนจะพูดจะพูดตอนไหนหรือไม่พูดนะก็จะเงียบไปก่อนหรือจะพูดไปจะเรากลับมาดูอารมณ์อของเราก่อนถ้าเราเป็นปกติแล้วก็คอยพิจารณาดูว่าอย่างเช่นมีคนเมื่อวานก็ไปตอนทีน่นึงนะจริงเขาพูดรอบแรกมันก็เฉยก่นอนก็พูดไปแล้วก็สอนไป พอรอบหลังก็พูดดนะีเราก็ดูลงก่อนไม่เป็นไรก็คิดว่าเตือนสักหน่อยแต่คือเรากลับมาดูตัวเองก่อนนะว่าเออเราไม่ได้โกรธเขาแต่เพียงว่าเราพูดต้องการให้บอกเขาว่าเอออย่าไปพูดรบก ว, ควนคนอื่นนะแต่คือพูดด้วยความปรารถนานดีไม่ใช่พูดด้วยความโกรธ น, นะคือมันก็ต้องกลับมาดูบางทีเช่นสถานะบางทีต้องสอน แต่เราควรจะสอนตอนที่เราปกติไม่ใช่ตอนนอนที่เราโก้แต่นะอ า, าจารย์ครับให้อาจารย์เมตารบกวนอ า, าจารย์แนะนำนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือในซอยบ้านแม่นะครับอาจารย์ได้ภาพตามผลนะครับคือมีบ้านอยู่หกหลังเองนะครับมีบ้านอยู่หกหลังแล้วแต่ละหลังเนี่ย มันเป็นบ้านที่มีซอยเล็กๆไม่เหมือนซอยนีย้นะฮะซอยเล็กๆคือมียรถวิ่งผ่านโครงการไปแล้วข้างมันมีสาสาหลังตินในนี้เนี่ ย, ยอยู่กันมาห้าหลังนานแล้วมีหลังึงมันลา้างเพิ่งจะมีหลังใหม่หลังที่หกเนี่ยมาอยู่นะฮะมาอูได้ประมาณไม่ถึงปีทีนี้บ้านตรงนั้นนะมันจะเป็นบ้านที่คนอายุมากๆอยู่กันบ้านหลังใหม่ที่หลังหลังที่หกเพ้่มาเนี่ยนะฮะ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเด็กอายุสามสิบกว่าทีนี้มันเกิดปัญหาึ้นว่า <c oughs> ทุกคนสุขคนเสาร์เนี่ยมันจะมาพูดคุยกันจนต้องตื่นดึกดื่นนะเมื่อกี้อาจารย์แนะนำว่าถ้าเผื่อเราจะพูดอะไรไปก็ควรไปดูอารมณ์ของเราก่อนทีนี้สังเกตมา น, นานแล้วว่าเป็นอย่างนี้ทุกสุดเสาร์ กองทีจะมีแถมวันาทิตด้วยนะอย่างเมื่อคืนนี่ล่าสุดเนี่ยพูดคุยกันตีสามไอ้เราเนี่มันก็นอนไม่ได้นะเพราะเราไ ม, ไม่เคยเจอปัอะไรนี้มาก่อนเพราะหลังนั้น <c oughs> เราอยู่ 30, 40, ยกันมาสามสิบสี่สิบปีเงียบๆกันถ้าเป็นผ้ า, าจารเนี่ยผ้ า, าจาย์จะทำยังไงคือไอ้ในความคิดของผมเนี่ยนะครับ <c oughs> เราก็คิดว่าเรา ไอเราหกสิบนะครับ่ากันไอเด็กพวกนั้นมันสามสิบกว่าแล้วก็ไอเราตลอดเวลาเราก็ไม่ได้มีพักพวกมีเพื่อนฝูงมหาบอรดแต่ไอบ้านเนี้ยมันวันหนึ่งมีมอเตอรไซต์ข้อออกเยอะเราที่จะไปคุยเนี่ยแม่ก็เป็นห่วงนะผมว่าอย่าเลยเดี๋ยวมันเก็บมันจำนะ แล้วเราเนี่ยจะเป็นปนัญหาถึงแม้ว่าเราสำรวจอารมณ์เราแล้วว่าอารมณ์เราดีนะครับเราจะไปพูดกับเขาเนี่ยมันจะไปพูดในแนวไหนก็ไม่ทราบยังไงนะครับไปพูดสั่งสอนเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าพูดจาลึกกลาคืนเนี่ยถึงเวลา น, น, น้องอย่าพูดเราก็ไม่ได้มีสถานะที่จะไปสั่งสอนเขาเนี่คะครับท้าเป็นพระอาจารย์อาจารจะทําอย่างไง ม, มาว่าแต่ถ้าจะมาอันนี้แต่มาก็ไม่รู้นะติดกันมาจะพูดมันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติแต่มาเป็นโยมมาพป็โยมเไยมาก็ ก, ก็ก็คงไปผูกมิตรก่อนคืออาจจะเขาเป็นเด็กก่อนก็จริงแต่มันเราก็อาจจะมองเขาเป็นชนะเพื่อนบ้านทีแต่แน่นอนอ่ะช่วงมันเกิดเหตุเลยนะ มาแล้วจะยังไม่พูดเลยหรอเอาวันธรรมดามันจันังคานพุทธในที่มันไม่มีปัญหาเราไปพูดเหมือนเป็นพูดเหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันอันนี้คอสมรู้มานะก็เหมือนไปทักทายทำความรู้จักกันจนชินสักหน่อยก่อนแล้วคราวนี้พอถ้ามืองเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่นะบางทีบางทีมาว่าบางทีพอเขารู้สึกเหมือนมีเพื่อนบ้านบางทีความรู้สึกเกรงใจมาอาจจะมาขึ้นนิดนึง แต่มมติถ้ามันยังมีพฤติกรรมแบบเดิมอยู่มาว่ามาันก็อาจจะพูดในคณนะก็พูดขอารู้สึกตัวเองบ้างแหละไม่ใช่พูดเพื่อสอนนะพูดแค่ก็แค่พูดขอารู้สึกตัวเองว่าอืมลุงก็แก่แล้วเนาะพอ <c oughs> ดีเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเสียงมันดังนะก็ก็แค่พูดอย่างนี้นะ่ะบางทีก็รู้สึกลำคาญบ้างนะแต่ก็ทําให้ลุงก็นอนไม่หลับวันนี้ก็แต่มาว่า พอเราเริ่มเป็นนิตรกันแล้วเราก็พูดมันเหมือนระบายความรู้สึกของเขาไ ม, ไ, เไม่ได้ไปสอนไม่ได้ไปว่าเขานะเตือนๆว่ามันเรื่องจริงเป็นแบบนี้หมายว่าเขาคงจะคิดเองแหละว่ามันเป็นแบบไหนแล้วก็เขาจะแก้ไขหรือไม่มันก็แคนน่นี้มาว่ามันก็อยู่ที่ท่าทีของเราด้วยถ้าท่าทีของเรามันค่อนข้างทําให้เขาได้เปิดใจรับฟังเขา มัก็น่าจะกระตุ้นให้เขาได้คิดแล้วก็ไส้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบ้างแต่มาแต่โดยส่วนตัวเองถ้าแม้ทําก็ไม่คาดหวังว่าการกระทําแค่ครัง้งสองครั้งหรือการแค่พูดแค่นี้มันจะต้องได้ผลมาว่าบางทีอย่างเด็กเขาทำบ่อๆเขาก็ชินจะให้เขาเลิกทีเดียวก็มันก็ยากบางทีอาจจะไมให้เกิดเพราะเขาคนเดียวอาจจะเกิดเพราะเพื่อนมาจนเป็นประจําเขาก็มาบ่อยนะบางที เด็กมันก็ตั้งใจจะไม่ทําหลักเด่บงทีเพื่อนมันก็ชวนอีกละนะมันก็ทําให้ทําอีกแล้วนะมันก็คือส่วนหนึ่งมาแก็ว่าเขาผมต้องปลุกนิดก่อนอีกส่วนหนึ่งก็พูดอย่างที่รู้สึกแต่ไม่ใช่เป็นการไปว่าไปไปดา่าไปตอนนะก็พูดพูดความรู้สึกเฉยเฉยส่วนอีอย่างหนึ่งที่สั่งคือการวางใจของเราไนีแหละว่าเราก็ต้องเผื่อใจว่า ไอ่สิ่งที่เราทําก็ไม่ได้ทําแล้วมันจะได้ผลเสร็จทีเดียวจะได้ผลไม่ได้ผลก็เราก็ต้องยอมรับให้มันได้ว่ามันเราได้ทําแล้วผลมันจะเปลี่ยนทันทีหรือไม่เปลี่ยนทันทีก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฮนะที่จริงเรื่องทางโลกก็เป็นแบบนี้นะโยมบางทีมันมันไม่มีสูตรตายตัวลนะเราก็แต่นี้ก็พูดจากความคิดนะ น, นะอืมแต่มาว่า เราก็ต้องลองคุยกันดูแล้วก็มาว่าเมื่อคนได้คุยกันอ่ะมันจะมันจะจับทางกันได้ว่าควรจะเข้าทางไหนแต่ถ้าไม่คุยเฉยๆถ้าเราคิดเนี่ยมันจะมันก็เป็นอาจจะเป็นมุมของเราที่ถูกแต่เราจะอาจจะไม่เข้าใจว่าเขามีเหตุมีอะไรอย่างไรมงี่ยะกันตุ่มันจ๊อบเี้ยเติมอ่ะเนี่ย นี้ก็สบการณ์มานะไม่ถึงไม่เห็นตัวก็นัดองดูโยมมาว่าลองนอนนอนไม่หลับบางทีลองนอนพลิกมือไปคืนนี้ไปอันนี้มาไม่ได้ว่าท่านนะไม่ถึงมากพอดีก็คืนสองคืนแล้วก็นอนกับ นอนสี่รูปนะคะตามสี่รูปก็มีพระเจาลุงหนึ่งท่านก็เคยผ่าตัดสมองแล้วก็บันทีท่านก็จะทําอะไรดึกดึกตืก่นเสียงนังเอามาก็เป็นคนถ้ามีเสียงนิดหน่อยมาก็ตื่นนะก็จะตื่นบ่อยมากตื่นรับๆตื่นตื่นก็แต่เราก็บางทีก็เปิดไฟอยู่แล้วก็ยังนอนไม่หนะลับนะก็แจกของอาบ น, น้ำ่างงี้ยก็ใส่กันหอนคืนนี้ก่อ คือยิ่งยิ่งพระยิ่งยิ่งตายอย่างโยมนะเพราะว่าพระเขาเนี่ยนอนคนเดียวอยู่กุฏิคนเดียวนะพอมานอนรวงกันเนี่ยมันเหมือนมันมันมั น, มนก็ต่างเลยเนี่ยเปิดไฟบ้างทำนั่นบ้างแล้วก็นอนไม่หลับก็ไมเว็นไรถ้นอนนอนดูลมหายใจนอนหมุนนิ้วไปนะกดจะดับก็สี่ห้าทุ่คือเคยฟังหลวงพ่อชาเนี่ยท่านเทศนจะบอกว่าเวลามีเสียงก็บรบกวนเนี่ยเขาเพี้ยนาว่า เราเน่ยเป็นรบกวนเสียงนะไม่ใช่เสียงมันรบกวนเราแต่ว่าพิจารณาไงไงมันเสียงก็รบกวนเราอยู่ดียร์ครับก็คือพิจารณาบางคนพิจารณาแล้วก็ที่จริงพิจารณาจริงเคยย้อนกลับมาที่เห็นว่าความไม่ชอบเสียงน่ะคือความทุกข์คือท่านพี่นายเห็นว่าไอ้ความไม่ชอบความไม่พอใจแล้วมันเกิดความทุกข์เนี่ยเพราะเราไม่ชอบมันใช่ไหมพิจารณาคือแบบนี้นะไม่ใช่ว่าพิจารณา เราไปปวนเสียงแต่จริงเพราะความไม่ชอบนั่นแหละคือไปปวนถ้าถ้าเห็นความไม่ชอบในใจแล้วความทุกข์มันจะหายไปแต่เรื่องนอนดับไม่ดับนั่นเป็นอีกนะเรื่องหนึ่งนะเดียงจะหายไม่หายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราจะแก้ความทุกข์ของเราได้ก็คือการที่เราละความไม่ชอบหรือความที่เราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราคาดหวังเราละที่ตรเนี้นอาจาย์มาต้องไม่ได้พิจารณาแบบนั้นแต่มาก็อาศัยว่า ก็สามารู้สึกตัวเลยคือไม่ไม่เอาความคิดไปไปพิจารนานนั้นแต่เราก็ดูก็นอนไม่หลับก็ดูร่างกายของเราที่กําลังนอนกําลังคึงนิ้วอยู่ถ้าเกิดใจมันโง่งอิขึ้นมาแล้วก็ดูมันเฉยๆเลวนะแล้วก็อืมเกิดความไม่คุ้นขึ้นมาแล้วก็ดูมันแล้วก็เหมือนคือความไม่หลับมันก็มันก็ทําให้ใครทุกข์กันนะแต่ใจมันไม่ทุกข์เราก็ รักษาแบบนี้รักษาใจได้บ้างเออได้แต่รักษากายบางทีนก็ตามเทตุามปัจจัยส่วนที่หนึ่งที่ที่ที่โยมพูดที่หลวงปูจ่จ่าที่หลวงปู่ชาวเราแต่มันมีที่ีาวสาทเพศเป็ น, นบ่อยเรื่องี่ศาทีอันนี้มันอยู่ในพาร์ทของการทําจิตคือ <c oughs> ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็คือทำบุญแต่บามันก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งคือทาบิต ก็คือเราก็จะต้องทำอย่างไรซึ่งทาจิตก็คือพาร์ทที่ที่จารย์มโนคือ้คือเราจะไปทำจิตอย่างไรทำแบบผู้บาอาจารย์ก็ยัง ไ, ได้ราะว่ามันก็มีทารโลกที่เราต้องเปก็คือทำจิตแต่ก็ทำจิตพู่กันแต่เราจะทำจิตอย่างไรที่ทอาจารยมองเติมเติมเติ่เ คือถ้าเกิด่า อ, อย่างเราชาวพุทธนะอย่างเราชาวพุทธเนี่ยสิ่งที่ต้องถึงปฏิบัตินะครับคือการกลับมาเริมต้นที่หลักนะครับค่งนี่คือกลับมารู้สึกตัวกลมามีสติใหม่อันนี้คือหลักปฏิบัติของของชาวพุทธนะครับไม่ไม่ไม่ว่าตะไรยังไงก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะเป็นจะตายอะไรยังไงก็ตามเนี่ยนะครับก็คือ นี่นี่คือให้เราให้เราถือเป็นนิสัยนะครับว่าเราอยู่กับโลกใช่ไหมครับเราจะาจิตเรามันจะวิ่งออกไปข้างนอกใช่ไหมครับอย่าเงี้ยด้วยด้วยเรื่องราวต่างๆแล้วพอจิตวิ่งไปข้างนอกคือเกิดความคิดต่างๆนานาตัวนั้นจะต้นเหตุนในทุกท้องถิ่นนั้นคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงพัดกลับมานะครับอันกลับมาอันกลับม า, บมานี่คือนี่คือหลักแล้วก็ จะเป็นทั้งหมดที่ทําให้เราอยู่กับโลกได้คือจะเป็นทั้งหมดเลยนะให้เราอยู่กันโลกได้เพราะว่าอันนี้หลวงพ่อคำเขียนท่านก็ยืนยันนะครับแบบว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็าตามเนี่ยคือเราจะปฏิบัติไปยังไงถึงแค่ไหนในก็าตามการกลับมาคือคือจะไม่กลับรู้สึกตัวที่คือทั้งหมดหลวงพ่อคำเฉียนก็ยืนยัยนแบบนี้ตอนเนี้ตรงนี้กคือสิ่งที่มันเป็นความตา่างอย่างสมัยต้องเรว่า อยู่อยู่เป็นนักศึกษาเนาะเราที่อยากเปลี่ยนแปลงโลกมาก <c ười> <ภ>คือโลกเนี้ยมันมันต้องเปลี่ยนแปลงมันถึงวาระที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเราเนี่ยเยาวนชนเนี่ย <c ười> <c ười> เป็นเป็ น, ปนมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนแปลงโลกเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าโลกมันอมมันมันแย่มากแล้วล <c ười> <ภ>่ะเพราะฉนั้นนี่คือ น, นันาทีนั้นใช่ไหมครับนักศึกษาเนื้อศึกษาอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมว่าก็ต้อง รู้ว่รวมพลังกันขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่านั่น น, น, นั่นคือสิ่งที่พอเราตั้งใจงแบบนั้นก็เราก็เป็นสัตรูยกันนะหันกันในตานานานนี้แล้วก็ถึงนาทีนี้เนี่ยมันก็ <c oughs> โลกงมันก็เปลี่ยนมาไม่รู้จะธีกี่ค่ั้งต่อปก็ก็เหมือนเดิมอย่างใช่ไหมครับก็คือในทางพุทธเนี่ยเราบอกว่ามันต้มีแค่คนรู้กับคนหลง ถ้าคนรู้เนี Actually, mm ่ยก็จะไม่ทำโทษได้คนอื่นใช่ไหมครับไม่ทำทุกข์ไม่ทําโทษได้คนอื่นไม่ทําทุกข์ทำโทษได้เกิดกันเราแต่ส่วนคนหลงเนี่ยก็นั่นก็คือทุกข์ทั้งตัวเองและทุกข์ทั้งคนอื่นแต่ว่านั่นคือยังยังมองถึงยังมองถึงตนเองนะครับนะเพราะมียงเคยพูดเคงทําเคยเห็นทุกข์เป็นเคยเห็นทุกข์เป็นสุขไหมใช่ไหมครับเคยเห็นทุกข์เป็นสุข้หมอ๋อเรานี่มางฝั่งนี้เขาเรียกว่าเข้าไปครบแต่ทุก อย่างที่เห็นเป็นสดตลาดเวลาใช่ไหมครับอย่างอาทิตย์เชน่นเนาะจะได้กินข้าวมื้อนึงเนี่ยต้องขับรถไปสามชั่วโมงอย่ <c oughs> างเงี้ยใช่ไหมคเับอย่างเงี้ยจได้ว่าที่ที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ใช้ว่าที่ปกตินะครับยัยต้องมุดก็ไปตายสบาย <c oughs> แบบเนี้ยลำบากลำบนไปอีกที่หนึ่งนะครับโอ้มมมมมแมงมันแมงมันทอมแมวเมอร์อไรใยากไปหมดเลยนี่มุดมาไปหมดเลยลลลลลแต่ปรากฏว่ามีรถบงรถเบนซ์ไปจอดเต็มไปหมดอะไย่างเนี่ย <c oughs> คือนี่คือนี่คือเราเราก็เหมือนกับว่านี่นี่คือเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจมันก็ทําให้เราเหมือนกับว่าเราก็ไหลไปไหลไปตามใจชอบนะ <c oughs> อยากจะทำอะไรก็ทําตามใจชอบนั่นคือตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่งทเงิ น, นที่ประชามโนบอกใช่ไหมครับก็คือหนึ่งเรานรา ก, กลับมาทาใจของ อย่างโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าการปฏิบัติธรรมหลักของการปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งของหลวงพ่อเทียนก็คือบางกาใจกลางบางใจ ก, กลางใช่ไหมครับคือว่าเราวางใจกลางกลายก็ไม่มีทุกนะบางใจต่างใจก็ไม่มีทุก์นะใช่ไหมครับนั้นนั่นคือว่าอาจารย์เนแนะนำว่าอุ้มเราก็ไม่ว่าอะไรถึงขึ้นกระซานเรากลับมารู้สึกตัวก่อนอย่างเวลาตอนนอนนะครับมันมันเป็นสิ่งที่ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะอย่างสมัยก่อนเราไม่ใช่เป็นคนไม่เคยนอนไม่หลับแต่เมื่อกี้ว่าเรานอนไม่หลับนี่เราดิ้นรนมากเลยครับเพื่อที่จะให้นอนหลับเนี่ยมันยิ่งทุกข์นะใช่ไหมก็คนนอนไม่หลับเนี่ยจะต้องสัมผัสใ้การดิ้นรนของตัวเองเนี่ยมันจะต้องทําำทุกวิธีทางไว้ให้มันหลับไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตอนเนี้ยนั่นนั่นคือเป็นสิ่งที่แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วมีหลับ กากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยนั่งขณะนั้นกายเราไม่ดินน้นรนนั่งขณะนั้นใจเราไม่ดินนน้ น, น, น, นร น, นถึงเราไม่หลับก็ตามเนี่ยอันนี้อันนี้เคยเลยครับเคยว่าเหมือนกันถึงเราไม่หลับก็ตามเนี่ยนอนนิดเดียวก็ตามแล้วจะตื่นช้ามาเราก็สํารวจแล้วร่างกายเราก็ใช้ได้นะแล้วก็จิตใจเราก็ไม่บอกเชนะ้ามาเนไหมนี่นี่คือสิ่งที่เหมือนว่า น, นี่คืออันนี้พูด พูดแบบไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กรณีคนหนึ่งนะแต่เป็นประสบการณ์แล้ว อ, อันนี้นั้นเราก็มีความรู้สึกว่านี่คือถามคุ้มครองใช่ไหมครับแต่ว่าทานองเดียวกันนอย่างเรื่องของที่พระจัน์บอกก็คือเรื่องของการการที่เหมือนกับว่าเราผูกมิตรก่อนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึงอันนี้เพระาะทางโลกนะไม่ใช่ไม่เคย <laughs> ทางโลกนีงพอเวลาเกิดเรื่องขึ้นเนี่ย ยิ่งเราดูแลเด็กดื้อดูแลต่างๆนานาเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือใช้เวลาสั้นที่สุดได้ผลที่สุดสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือคิดทบทวนนะว่าคําพูดไหนที่เปรี้ยงออกไปเบบ่ยนะครับจบเลยใช้เวลาสั้นที่สุดเลยก็จบเกมง่ายที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือตรงเนี้ให้ความคิดให้เราสะสมนะคิดครั้งหนึ่งมันยังไม่แรงพอมันไม่เด็ดพอครั้งที่สองครั้งที่สาั้ที่4ี่ นั่นก็คือพอเวลาที่เราสะสมความคิดเรื่อยๆสะสมความคิดเรื่อยๆเนี่ยทุกครั้งที่เราสะสมเนี่ยมันจะเพิ่มเพิ่มอุณภูมิความร้อนแรงขึ Lynn, wrinkles, ้นความร้อนแรงขึ้นจนกระทั่งว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนียเขาจะบอกว่าอพี่ตุกเนี่ยเป็นประเด็จการในรอยยิ้มนะคือพูดไปยิ้ใตปเลี่ยแต่ก็ขอขาไปเรื่อยๆแล้วนี่คือนี่คือสิ่งที่ นี่คือสิ่งที่เมื่อเมื่อเราไม่ยอมจบใช่ไหมครับเมื่อเราไม่ยอมจบเมื่เราก็คิดพบทวนคิดทบทวคิดทบทวนเลยแต่ที่เกิดอย่างที่พระอาจารย์อาจนรย์ถามก็คือเหมือนกับว่าใช่ไหมครันการพูดครั้งนการผูมิตรครั้งหนึ่งเนี่ยมีต่อภาพมันจะเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะเห็นเราเป็นมิตรเขาก็จะไม่กล้ารบกวนเราเราก็จะเห็นเขาเป็นมิตรอะไรนิดหน่อยอืไม่จะได้หนักอะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่คือตรงนี้คราบมันมันมันคิดว่ามันจะช่วยช่วยได้มากเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการที่ ลองอาศัยการปฏิบัติทำดูก่อนเรื่ออีกอันหนึ่งก็คือในะขณะที่เรา <c oughs> เร า, ากลับมารู้สึกโตครั้งหนึ่งเนี่ยไอการสะสมความคิดที่จะเพิ่มอุณหภูมิของความโมโหหรือหรืออะไรต่างๆนานาอะเนี่ยมันจะไม่ไม่เกิดขึ้นเพราะนั่นคือเหมือนเหมือนกับมั น, มนมถูกตัดตอนไปตัดตอนไปถูกตัดตอนไปไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบทุกครั้งที่เราคิดมันก็ยังคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำ นั่นคือตอนนี้ก็อยากให้พวกเราแต่ละคนได้ได้มองเห็นว่าการที่เรากลับมารู้สึกตัวแม้จะยังโมโหอยู่ก็ตามแต่ความโมโหนี่มันจะไม่ไม่พุ่งปริบนะพอมาถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเปตัดตอนเลยมันก็คือมันก็วิ่งไนี่ยอะแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมารู้สึกตัวครั้งหนึ่งความโมโหเรามันก็จบไปแล้วมันจะเกิดขึ้นใหม่ก็กลับารู้สึกตัวอีกครั้งก็ไม่เป็นไรเกิดขึ้นใหม่ก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเด็นคือทุกครั้งที่เรากลับมารู้สึกตัวความโมโหมัน ใช่มับ ม, มันมีจริงแต่มันตอบไม่ได้มันมีจริงต่ตอบไม่ได้นั่นคือตร ง, องนี้ก็อย่า ง, งอย่างปาดบกับอาจารย์ขอเป็นคําถามสุดท้ายครับดีมีโยงสอบถามมาว่าในการยกมือจะมีความรู้สึกอยู่สองแบบคือหนึ่งเนี่ยใจไปอยู่กับมือที่เคลื่อนไหวสองรู้สึกใจที่อยู่กับกายที่ตั้งตรงและใจก็นิ่งอยู่ แต่ก็รู้สึกทุกมือที่เครื่องไหวไปด้วยเลยโยมถามว่าที่ถูกควรเป็นอย่งไรครับคือแบบแรกมันมันเป็นสมาธิเป็นสมาธากี่หน่ะคือเอาเอาใจเป็นแน่หยุดกับมือก็มันเป็นสมาธิเนาะแต่แบบที่สองที่จริงเราก็รู้สึกตัวรวมนั่นแหละอะไรมันเด่นเราก็รู้สึกที่ตรงนั้น มือมันเด่นเราก็รู้สึกที่มือแต่ไม่ใช่เป็นพูดก้ามือนะมายถึงว่าเรารู้แบบรวมๆเหมือนโยมอูตะมารวมมือเดินมาเด่นโยมก็เห็นใช่ไหมมือมาเก็บที่ตะมาเด่นเดี๋ยวก็รู้ใช่ไหมอะไรมันเด่นเราก็รู้สึกที่ตรงนั้นอะไะบันทีร่งางกายไม่เด่นเท่าจิตเราก็รู้สึกที่จิตความคิดมันผุดขึ้นมามันเด่น แล้วก็เห็นความคิดนะคือถ้าเรารู้สึกตัวรวมที่จริงกายวินาจิตธรรมนั้นมีตลอดเวลาแล้วแต่เพียงว่าตัวไหนมันจะเด่นขึ้นมาสติก็จะเข้าไปเห็นสติมันไม่ใช่ว่ามันจะรู้แต่อย่างเดียวกายก็ต้องรู้แต่กายไว้ก่อนปีหนึ่งสองปีไม่ค่แต่ก่อนมาคิดอย่างนั้นนะต่อานานก็เลยไม่ค่อยคือเราไปฝึกใหม่ๆขอโทษนะคือเราไปฝึก นักส่สวนโมกอะหอวงพ่าเวทสอนอาณาสิบหกขั้นนะจะเหมือนบันไดสิบหกขั้นกายสีเวทนาสีจิตสีธรรมสี่นะแต่อาจจะเป็นเป็นความเข้าใจผิดของเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอนผิดนะความเข้าใจผิดของเราเราคิดว่าเหมือนเดินบันไดนะขั้นที่หนึ่งรู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ต้องเอาแบบอันนี้ยังไม่ชนานาเนี่ยจะเป็นขั้นที่สอง มันก็ไม่ได้นะเราก็คิดว่าต้องลองชำนาญแต่ละขั้นเราขั้นแตขั้นสองขั้นสามโหภาวนาเป็นปีก็ไม่ขั้นหนึ่งขั้นสองเนะี่ยหรือแม้แต่มาปฏิ บ, บ, บัติกับสมวงพอเทียนก็ยังเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าเราก็ต้องออกแต่กายก่อนะเหมือนั้นเอาแต่กายก่อนแต่จริงที่จริงมันเกิดความคิดขึ้นบ่อย น, นะเกิดความคิดขึ้นบ่อยเอทําทไมหรือเกิด ความรู้สึกขึ้นม่อยเราเราไม่สนใจเลยเอาแต่กายอย่างเดียวแต่มารู้สึกว่าบางทีมันก็กลายเป็นเป็นสมถะแบบนึงรู้สึกแต่กายตลอดอยียงเดียวเป็นสมถะแบบนึงแต่พอมีครูบาอาจารย์เนี่ยที่ว่าถ้าสอนนี่มันต้องเห็นกิเลสใชไม่ต้องเห็นความคิดอะนะคราวนี้พอเราดูแต่กายบ่อยๆมันไม่ค่อยคิดเราก็จะไปตามหาว่าแล้วความคิดมันอยู่ตรงไหน อย่าที่มาพูดกันเช้าเราเอาจิตอะไปหาเอาไปหาจิตมันก็เลยไม่เห็นอืที่จริงพอมันไม่หาถ้ารู้สึกตัวดวมๆสบายขึ้นมันจะเห็นความผิดโผลขึ้นมาที่ละขณะทีละขณะแทกเข้าไปค่อยเห็นอ๋อที่จริงรู้กายกับรู้จิตมันก็มันก็สลับรู้ของมันเองสติมันก็รู้ตัวไหนมันเด่นมันก็รู้ตัวนั้นนั่นแหละนักปัจจุบ แต่พิจาว่าเรามีฐานไว้สักอย่างหนึ่งนะเช่นฐานการรู้กายจิตมันไม่เด่นมันก็รู้ที่กายไปรู้ที่กายพอจิตมันเด่นเราก็เห็นที่จิตนะไม่จําเป็นต้องแบบบันไดแต่มันเหมือนจะสลับไปสลับมาเพราะที่จริงหลักจริงจรมันไม่ใช่เหมือนเดินขึ้นบันไดมันเหมือนฝึกให้จิตผู้ดูมันแยกออกมาจากสภาวะที่ถูกดูไม่ใช่เป็น เดินไตไปแบบนี้ยแต่เหมือนฝึกในการรู้กายก็ก็ไม่ใช่เข้าติดจับที่กายรู้แต่รู้จิตก็เหมือนกันรู้มันดูต่อมาดูด่อมาเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูบ่อยมันเหมือนแต่ก่อนอ่ะจิตเราหลงไปจับนานกว่าจะรู้กว่าจะดุดหลงไปนานกว่าจะดุดต่อไปจับนิดนึงรู้ตัวแล้วดูดจับนิดนึงไม่ไม่ทันยแน่นดูด ต่อไปแต่นิดนึงหมแต่นิดนึงหมึต่อไปจิตจะเคลื่อนเข้าไปเข้าไปคิดเข้าไปอะไรมันจะรู้่ะมันจะไม่ทันเข้าไปนี่ครานี้จิตจะมั่นคงอันนี้จะเกิดอะไรก็ช่างมันเข้าไม่ถึงนี้เนี่ยคือพัฒนาการนะแต่พัฒนาการแบบนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้รู้แบบนี้แล้วแต่บางข่านมมันก็จะหลงไปทางนี้นะอืมแต่ตอนนี้พัฒนาการคือว่าแต่ก่อนนะ่ะเราไม่เคยเห็นอะไแบบนี้เลย เรามีแต่แบบนี้แล้วก็น้าแล้วกุดูดนนี้นานแล้วก็ดูดถ้าไปก็เริ่มก็เริ่มเห็นนะอืมนะพัฒนาการคือมันจะเริ่มสู้สภาวะที่มันละเอียดนะได้เร็วขึ้นได้บ่อยขึ้นแต่บางช่วงบางอารมณ์ที่มันแทงใจนี่นก็ไฟว่าแบบก็ดูดนะแต่มันจะเห็นนะอ๋อเนี่ยพัฒนาจิตตั้งมั่นคือตรงนีน้แค่ไหวอยู่นิดนึงดูและไหวอยู่นิดนึงดูแลนี่คือพัฒนาการของการฝึก เราก็ดูย้อนกลับมาดูดูกายดูจิตของเราก็คือดูแบบ่งนี้หละสิ่งที่เกิดขึ้นมาคนพูดคุยเสียงดัง น, นั่นยิกก่งแล้วก็ที่จริงก็ถ้าเรามองเป็นบทเรียนเราก็จะได้บทเรียนในการเห็นใจที่มันพอใจไม่พอใจใจที่มันไหลไปนะี่แหละไม่ใช่แต่ด้านลบเท่านั้นด้านบวกเองเราก็ต้องฝึกรู้เหมือนกันคำชมอาหารอร่อย เพลงคอบพะอะไรนะสัมผัสที่ที่สบายก็ให้เราฝึกดูแบบนั้นไปนได้ัล้วก็คือการฝึกทางนั้นแต่ก็อย่างที่ว่าอืมการคือแต่เราเกี่ยวข้องกั บ, บโลกคเราก็ต้อง ท, ทํากิจที่ที่จําเป็นต้องทําแต่เราก็ต้องรักษารักษาใจของเราขณะที่ทํากิจไปด้วยทําหน้าที่ไปด้วยนะ ก, ก็ทิ้งทั้งสองส่วนไม่ได้ มาเติมนิดหนึ่งตอนตอนเป็นนักศึกษาไปเสด็จ ว, วัดที่สวนโมกขนี่แหละมาไปสองคอร์สนานเก้าวันสิบวันก็สงสัยเหมือนกันเพราตนะตอนนั้นเป็นนักศึกษาก็อารมณ์เหมือนจำตุ้มน่ะแต่วัยห่างกันเยอะนะึงว่าตอนนั้นนักศึกษาไม่ใช่จะออกมาทําอะไรหรอกนะไม่ถึงแต่แต่เราก็ออกไปบ้างเพ่สนใจเพื่อปัญหาสังคมแบบเนี้ยจําได้เลยตอนนั้น ภาคใต้เขาประท้วงกันเรื่องเรือประมงพื้นบ้านเขาประท้วงเรือประมงแบบขนาดใหญ่ที่มาลุกล้ำเขตหน้านน้ำประมงพื้นบ้านแล้วก็พวกนั้นอ้วนเอิบไม่ใช่ตาตาข่ายเข า, าแบบตาข่ายเขาเล็กกว่าปะกติเนะเรือประมงพื้นบ้านก็าประท้วงนะประท้วงเรียกร้องรัฐบาลนะมาก็ถามถามผู้อาจารย์ อืมถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมประท้วงได้หรือเปล่าครับก็ถามเพราเขาสงสัยจริงๆเพราะแต่ก่อนเราก็ไปร่วมประท้วงบ่อยๆนะข้อการ์ดบ้างอะไรคนสมาชครชาคนเจนมาแต่ก่อนก็คือเราไม่โดนเองหรอกนะแต่เราคือไปร่วมปฏิบัติว่าไม่ยึดติดทำแต่พอเราสนใจปฏิบัติธรรมก็ถาำเราจะประท้วงได้หรือเปล่า มันก็บอกนะมาก็ชอบนะตอนตอนท่าบอกว่าคือเราต้องมีสิทธิ์ที่จะประท้วงได้ถ้าเราเห็นว่าไม่ยุติธรรมหรือว่าเราสูประธรทำนะเราก็มีสิทธิประท้วงได้แต่เราก็ต้องเผื่อใจด้วยว่าไอ้สิทธิแบบประท้วงหรือเรียกร้องนั้นจะได้หรือไม่ได้ไปเป็นอีกเรื่องนึ่งคือหน้าที่เราก็ทําเรียกร้องหรือประท้วงหรือทําหน้าที่ของเราแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเผื่อใจว่าสิ่งที่เราต้องการมันจะได้หรือไม่ได้ มันเป็นอีกเรื่องนึ่งมารู้สึกใช่เลยมันนี่ควารู้สึกตัวเองนะไม่ใช่ว่าจะต้องเพราะส่วนใหญ่เราเห็นข้นมาท้วงมันทุบเพราะจะเอาให้ได้ใช่ไหมพอไม่ได้ก็โกรธก็แฉนก็นั่นนี่ทุบเขาคือต้องการเอาไม่ได้แต่อีกพวกนึง่งอาจจะอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่กล้าทํา mm. เลยก็ปล่อยปล่อยทิ้งไปกว้างไปเลยมาว่าก็ไม่น่าจะทูก มันต้องอยู่ที่ว่าเราก็ต้องทํากิจแต่ก็อย่างบ้านเราก็ต้องไม่ใช้ความรุนแรงอะไรเลยนะก็แต่เราก็เรียกร้องแต่มันจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งปัญหาสังคมมันยิ่งตัวแปรเยอะปัญหาไม่แต่ปัญหาเพื่อนบ้านนี่ก็ยังก็ยังมีตัวแปรอีกเยอะนะแต่เราก็จริงๆยยมถ้ามองมองย้อนประมาณดูตัวเองไม่แต่บางทีคนในบ้านเราอหลายๆเรื่องเราต้องจัดการไม่ได้ ลูกเราเหนนนะนะนะบางทีเอี่ยเป็นพ้าเนี่ยได้ฟังเยอะปวดลูกเลี้ยงติดยาเที่ยวเตะได้ร่อนกันยังไงดี น, นะมันยากนะคือบางทีไม่แต่ลูกเราเองเราเองจัดการไม่ค่อยได้เลยหรือไม่แต่อารมณ์ของเราเองจริงอารมณ์ของเราเองบางทีจะจะบวกจะลบจะดีไม่ดีบางทีก็เอาแนไ่ไม่ได้นะถ้าเราก็มาเห็นว่าที่จริงไม่แต่ใจเราเองนะ เขอยากนอนแน่นอนไม่ได้นะเราจะเข้าใจหรือว่าการไปจัดการข้างนอกเนี่ยยิ่งเราเผื่อใจเยอะเลยว่าจะได้ไม่ได้เนี่มันแบบไม่แน่นอนมากคือเปอร์เซ็นต์มันแบบเราเผื่อใจนะแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นนะแต่ก็ทําหน้าที่นะนะทําหน้าที่แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปบางทีวันนี้ไม่ได้วันพรุ่งนี้ก็ลองฝึกใหม่ วันนี้ผูกมิกยังไม่ค่อยโอเคแลอ่ะผูกน้อง เ, เรื้วยลองนั่นลองนี่ไปเรื่อยยองลองแบบสนุกสนุกไปนี <c oughs> ก็ไม่ได้จะไม่เป็นไรนะแต่ยังไงก็ได้เพื่อนเนี่ยังไก็ได้ทําอะไรดีกวคิดแตนะ่นะไนมาก็ก็ฝางไปนะเป็นการขอขอคำถามนี้นะถามประเดี๋ดี๋ยวถามนี้เกิดขึ้นมาคือการปฏิบัติที่ถึงแม้ว่า คือเราเราในหมุม <c oughs> ยกนเนี่ยจะรู้สึกหลังขานะฮะแต่ว่าความคิดเนี่ยมันน้อยน้อยมากเนี่ย้านลักษณะนี้มันจะเป็นสมบัติหร่าแล้วเวลาที่อยู่อยู่ที่บ้านอยู่ทางโลกความคิดมันเยอะไหมเห็นติดต่อกับทางบ้านก็เวลา ไปปฏิบัติหรือว่าไปแต่น้อยไม่ได้ไปเรื่องิบัตินอกอ่าบางครั้งก็จิตใช้ไม่มีไม่มีความรู้สึกแต่บางครั้งก็มีใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเยมือนกันมีก็ดูมันไม่มีก็ไม่ต้องดูมันแต่จริงๆว่าสําคัญคือเราเราจะเอาจิตมาแน่กับกับส่วนในส่วนหนึ่งก็พอให้รู้แบบรวมๆแม้บางทีไม่รู้ความคิดแต่รู้แต่กายเยอะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรารู้แบบ เป็นผู้รู้นะไม่ใช่เข้าไปอยู่กับเป็นแน่กับกับร่างกายก็ได้ก็เป็นสติปัญญาเหมือนกันเป็นเป็นวิปัสสนาไม่ใช่เป็นสมถะแต่ถ้าเราเป็นแน่ไม่จะ่เป็นแนบจิตแน่ความสุขแน่ความสบายมันก็เป็นสมถาได้เหมือนกันนะอากาพจะเนาะ